ทีมคอนแกนนีดีนะไม่ค่อยดือ้อบางทีมดือ้อใจมันเหมือนถ้วยปิดใส่น้ำไม่ได้บางคนก็น้ำเต็มถ้วยเติมอะไรไม่ได้แนละ้วยังไม่มีประโยชน์เรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้บางคนภาวนานานนะหลายสิบปีติดคิดว่านี้แหละดี รับอะไใหม่ไม่ได้เลยลืมไปยังนะว่าดีจริงต้องพ้นทุกไปแล้วล่ะนี่ถ้ายัางทุกอยู่สนแสดงว่ายัางดีไม่จริงต้องพัฒนาอีกต้องเรียนรู้อีกหน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนนะหน้าที่ชาวพุทธคือเรียนคนที่เรียนจบแนละ้วคือพระอราหันต์เรียกว่าพระอาเซคะอาเซคาบุคคลคนไม่ต้องเรียนละเรียนจบงนพวกเรา เทียบไปแล้วเราก็เหมือนเด็กอนุบาลเด็กประถมเด็กมัธยมถ้าได้โสดาแล้วก็คือเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ว่าเสขบุคคลตั้งแต่โสดาขึ้นไปถ้ายังไม่ถึงโสดาก็อย่างเก่งก็ระดับมัธยมปลายมัธยมต้นมัธยมยังงันเราท้อง จะหนักอยู่เสมอเลยงานคือของเราคือการเรียนนะบทเรียนของพระพุทธเจ้าสามบทเราต้องท่องแท้บทเรียนที่หนึ่งสีลสิกขาบทเรียนที่สองจิตสิกขาบทเรียนที่สามปัญญาสิกขาหน้าที่มีเท่านี้แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชาวนาเนี่ยมีหน้าที่สามอย่างชาวนารุ่นโบราณ น, นั้นนะมีหน้าที่สามอย่าง หพอฝนตกก็ไปไถนาก็สองไถนาเสร็จก็ไปหว่านข้าวก็สามหว่านข้าวเสร็จแล้วก็คอยดูแลต้นข้าวน้ามากก็ อ, ออกน้ําน้อยก็เอาเข้าถึงเวลาข้าวจะออกรวงเองชาวนาไปสั่งข้าวให้ออกรวงไม่ได้ภิกษสูทั้งหลายผู้ปฏิบัติก็เหมือนกัน เธอมีหน้าที่นะในสหน้าที่คือศีลสิกยาจิตศิกยาปัญญาศิกยาเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งอริยมรรคให้เกิดได้เราเรียนบทเรียนท่าสามบทนี่แหละศีลสิกยาไม่ใช่แค่เรื่องวิธีขอศีลศีลขอเนี่ยไม่ใช่ศีลดีอะไรนักหนาเนนะที่ยวไปขอขอเจอพระก็ขอศีลไว้ก่อน สีนี้จริงเป็นความปกติของจิตใจเราที่จะไม่ถูกกิเลสครอบงำชักพาไปให้ทำความผิดทางกายทางวาจางั้นวิธีที่รักษาสีเนะีถ้าสติของเรายังไม่พอที่จะคุ้มคร อ, องจิตเราก็ใช้วิธีตั้งใจไว้ก่อนคอยระลึกไว้คอยเตือนตัวเองไว้ว่าเราจะรักษาศีตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจรักษาศีห้าวันนี้เราจะรักษาศีห้า กางวันก็ตั้งใจตอนเย็นจะตั้งใจก่อนนอนก็ตั้งใจเอาให้ได้เวลาสีห้ารอบนะมุสลิมเขก็ละหมาดวละหครั้งนะเราคิดถึงศีลวลาหครั้งก็ยังดีตั้งใจไปการที่เตือนตัวเองบ่อยๆแล้วเวลามันจะทําผิดอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกละอายใจจะนึกขึ้นได้ง่ายอันนี้สําหรับคนเบื้องต้นแต่สําหรับนักปฏิบัติมันมีวิธีที่ประณีตกว่านั้น คือเราเอาใสาสติรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่จิตคนเราทำผิดศีลได้ก็เพราะกิเลสครอบงำจิตอย่างราคะครอบงำจิตความโลภครอบงำราคะครอบงำเราจะไฆ่าคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นก็ได้ไปชิงทรัพย์เขาใช่ไม้มไปรักไปขโมยก็ได้ไปเป็นชู้กับเขาก็ได้ไปพริ้นปล่อนหลอกลวงเขาก็ได้ หรือราคาครอบงาจิตจิตใจก็ดีกระดาเฮฮาปา์ตีกินเหล้าเมายาก็ได้โทรศัพทครอบงาจิตนก็ทำผิดศีลได้ทั้งห้าข้อโมหะครอบงมจิตจะทำผิดศีลได้ทั้งห้าข้อราคาโทรศัพท์โมหะไม่ได้เกิดที่อื่นเกิดที่จิตให้เราคอยมีสติคอยรู้ทันมันไม่ยากหรอกที่จะรู้ทุกคนรู้จักความโกรธอยู่แล้วใช่ไห รู้จักโลภ่รู้จักฟุ้งซ่านรู้จักโกรธหูรู้จักลังเลสงสัยกิเลสต่างๆพวกเรารู้จักหมดนะอิจฉาพยาบาทอนะไรนี่นี้ที่ผ่านมาเราละเลยเราปล่อยให้มันเข้ามาบริหารจัดการจิตใจของเราแต่เป็นนี้เราไม่ละเลยกิเลสอะไรแฝงตัวเข้ามาในใจนะให้คอยรู้ไวๆทันทีที่สติระลึกรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นกิเลสจะดับ โดยอัตโนมัติเพราะจิตที่มีกิเลสนะจะไม่มีสติจิตที่มีสติจะไม่มีกิเลสกิเลสกับสติอยู่ด้วยกันไม่ได้กุศลกับอกุศลไม่เกิดพร้อมกันต้องเกิดคนละทีเหมือนแสงสว่างกับความมืดเกิดกันคนละทีในห้องมืดจุดไฟให้นมาก็สว่างดับไฟไปมืดสลับกัน ทันทีที่สติเกิดก็เหมือนเราจุดไฟให้ในใจเราสว่างความมืดทั้งหลายกิเลส ท, ทั้งหลายมันก็ดับไปนะแหน้าที่เราคอยรู้ทันบ่อยๆนะเรารู้ได้อยู่แล้วแนหะไม่ยากหรอกเราละเลยทั้งหางแต่เป็นนี้เราไม่ลาเลยเราคอยรู้บ่อยๆนะกิเลสอะไรเกิดเรารู้กิเลสอะไรเกิดเรารู้ศีลหข้อมันจะมาเองเวลาที่เราเกิดอยากทําผิดศีลขึ้นมาเนี้ย เราจะเกิดละอายใจเรามีฮิริมีวอตปะฮิริคือละอายใจที่จะทําผิดวอตปะเนี่ยเกรงกลัวผลของการทําผิดเรารู้เลยว่าเราทําผิดที่ไรนะจิตเราเศร้าหมองทุกทีอย่างพอเราโกรธแรงๆเราไปแกลงเล่นงานใครสักคนนะหลังจากนั้นจิตเราจะเศร้าหมองหรือเวลามีราค้าแรงๆนะพอราค้านั้นผ่านไปนะั้นจิตก็เศร้าหมองจิตหมองจิตมัว นักปฏิบัตินะให้จิตมองชินมัวเนี่ยกลัวไม่อยากไม่เป็นอ่ะงั้นเราคอยอาศัยสติคอยรู้ทันกิเลสทั้งหลายที่ผุดขึ้นในใจเรากิเลสผุดเมื่อไรกิเลสมันผุดขึ้นมาเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายรู้สัมผัสเมื่อใจคิดแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อตามองเห็นเนี่ยกิเลสยังไม่เกิดตามองเห็นแล้วมันจะส่งสัญญาณภาพนะ เข้ามาที่ใจมีการแปลความก่อนแนละ้วรูปที่เห็นนั่นคืออะไรพอแปลความได้แล้วนะถึงจะเกิดกุศลเกิดอกุศลอะไรขึ้นมาเกิดที่ใจเท่านั้นเองเงินกิเลสไม่เกิดที่ตากิเลสไม่เกิดที่หูไม่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายเงินถ้าเราจะมีสติรักษาแล้วก็รักษาอยู่ที่จิตอันเดียวเราไม่ต้องรักษาจิตนะให้เรามีสติแล้วสติจะเป็นคนรักษาจิตให้เรา ถ้าเราจงใจรักษาจิตไม่ให้มีกิเลสเราจะเคลียดตรงที่อยากให้ไม่มีกิเลสนั่นก็คือโลภะเรียบร้อยแล้วกิเลสกินเรียบร้อยแล้วนะอาศัยสติรู้ทันตัวรู้ทันนี่แหละนะจะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตของเรานะกิเลสมันจะดับอัตโนมัติจิตมันจะเบิกบานแจม่มใสขึ้นมานะมีความสุขนี่คือบทเรียนเรื่องสีและสิกขานะถ้าเราฝึกได้ศีห้าเราจะอัตโนมัติ เคยถือศีนยากนะต่อไปจะถือศีนง่ายเพราะไม่ต้องถือศีนมาเองเ ร, เรามีสติงี่เลาอายสติของเรานะแล้วศีนอัตโนมัติจะเกิดถ้าศีนของเราดีนะเราจะไม่ไปทุกขติง่ายๆหรอกจะไม่ไปทุกขติง่ายๆไปได้เหมือนกันตอนตายเกิดพลาดพลัง้งใจเป็นอกุศลขึ้นมาพลาดได้ งั้มีศีลก็ยังไม่สามารถปิดอบายได้นะแต่ว่าลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยงั้นฝึกทุกวันนะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันไปด้วยบทเรียนที่2ชื่อจิตตสิกขาการเรียนเรื่องจิตเพื่อให้จิตมีความพร้อมเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตที่จะเจริญปัญญาทีนี้คนทั่วไปมักง่ายศีลสมาธิปัญญา ศีลนั่นเป็นผลสมาธิเป็นผลปัญญาเป็นผลเหตุของมันคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเราทำเหตุไม่ใช่ทำผลไม่ใช่ทำศีลให้เกิดแต่ทำเหตุให้มีศีลมีสติรักษาจิตไม่ใช่ทำสมาธิแต่ทำเหตุของสมาธิคือเรียนรู้เรื่องจิตไม่ใช่ทำปัญญาให้เกิดสั่งปัญญาให้เกิดไม่ได้ปัญญาเป็นอนัตตาจะทาเหตุที่เกิดปัญญาเหตุที่ทาให้ปัญญาเกิดคือ ความตั้งมั่นของจิตคือตัวสัมมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเนี่เราต้องทำตัวเหตุเพราะฉะั้นการที่เรามาเรียนเรื่องจิตศิกขาเนี่ยก็เพื่อให้จิตมีสัมมาสมาธินั่นเองให้จิตมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาสมาธิมีหลายชนิดนะแยก2กลุ่มใหญ่ๆ1มิจฉาสมาธิข้อ2สัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติ สมาธิที่เจือกับอกุศลเจอือลบกลดลงสมาธิเนี่ยไม่ใช่องค์ธรรมที่ว่าพอเกิดแล้วจิตจะต้องดีเสมอไปไม่เหมือนสติไม่เหมือนปัญญาสติปัญญาเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นมีคําว่าเท่านั้นสมาธิเกิดกับจิตทุกชนิดจิตชั่วๆก็มีสมาธิได้จะไปยิงเขาก็ต้องมีสมาธิทําอะไรก็ต้องมีสมาธิแลสมาธิมีสองกลุ่ม กลุ่มแรกมิจฉาสมาธิสมาธิที่ไม่มีสติสมาธิที่เจืออกุศลนะสมาธิอย่างที่สองสมาสมาธิเป็นสมาธิที่มีสติแยกได้สองกลุ่มนะมีสติแล้วสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเรียกว่าอารมณูปนิชานใช้ทําสมถะกรรมฐานนะได้อย่างเดียวนะารมสมถะได้อย่างเดียวอันที่สองนะมีสติอยู่แต่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะ จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเป็นผู้สังเกตการปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายจิตนี้เป็นแค่คนดูตั้งมั่นอยู่ไม่ไหลตามไปจิตนี้เรียกว่ารักขณูปนิชัานใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ทำวิปัสสนาก็ได้นะใช้ทำสมถะก็ได้นะในขณะที่เกิดอริยามรรคเกิดอริยผลจิตจะเกิดลักขณูปนิชฌานด้วยพระร ย, ยาบุคคลเวลาจะเข้าพระสมบัตินะ ใช้นิพานเป็นอารมณ์เนี่ยจะต้องใช้ลักขณูปนิชฌานการลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่กว้างขวางที่สุดเลยไม่เหมือนอารามณูปนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นพุทโธพุทโธจิตอยู่กับพุทโธไม่หนีไปไหนรู้ลมหายใจจิตอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปไหนดูท้องพองยุบจิตอยู่ที่ท้องไม่หนีไปไหนเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตอยู่ที่เท้าไม่หนีไปไหนนจิตอยู่ในจุดเดียวอยู่ในอารมณ์เดียวนะ จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเพราะนั้นเอาไว้ทำสมถะเท่านั้นเอาไว้พักผ่อนนะรักนูปณิชานนั้นไม่ใช่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้อารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตามธรรมชาติธรรมดาเลยแต่ใจมันถอนตัวมาเป็นคนดูอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามารูปนามทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเหมือนตัวละครที่ขึ้นเวทีมาให้ดูเท่านั้นเองนะ งนนจิต ท, ที่มีลักขณูปนิชานที่เป็นแค่คนดูนะไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่ผู้เขียนบทไม่ใช่ผู้กำกับเวทีไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่นักวิจารณนะ์ไม่ใช่คนดูดูซื่ อ, อ, อมีอะไรให้ดูก็ดูไปกันนะถึงบทตลกก็ตลกถึงบทเศร้าก็เศร้าไปไดนะ้แต่ใจนี้มันเป็นคนดูอยู่สมาธิตัวนี้นะถ้าอารมณูปนิชานเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี้ยทำฌานได้หนึ่งสองสามสเจดแ เรียกว่าอารามณูปนิชานลักขณูปนิชานเนี่ยทำฌานได้หนึ่งสองสมสี่ห้าหเจ็ดปดนะแล้วต่อด้วยนิโรธสมบัติได้น ะ, นะมันเหนือชั้นกว่ากันนะเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้านคนทั่วไปไม่รู้จักอาภัพที่สุดเลยทั้งๆเป็นสมาธิสําคัญที่สุดงั้นที่สองวันที่ผ่านมาที่หลวงพ่อจ้าชี้จำ้ำเฉยพวกเราว่าให้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปนะ พอเรารู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปถ้าเรารู้ไม่ทันนะจิตจะสุดโตงไปข้างกามสุขาริการุโยคจะตามกิเลสไปให้แค่คอยรู้ทันจิตไหลไม่ได้ประคองว่าห้ามจิตไหลถ้าประคองห้ามจิตไหลจิตจะสุดโตงไปข้างอัตตะกิลมัฐานุโยกเพราะฉะั้นถ้ารักษาจิตอยู่นะควบคุมจิตอยู่ไม่ให้กระดุกกระดิกเลยนั่นคืออัตตะกิลมัฐานุโยคนะงั้นเหมือนอย่างเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะ เอาทุกคนนั่งสมาธิขยับแล้วนะปรับบังคับร่างกายให้เรียบร้อยถัดจากนั้นก็บังคับจิตทําขลุ่มทําซึมอะไรไปนะอนนี้ตกเข้าไปสู่อัตตกิลมถานุโยกทั้งหมดเลยเราจะฝึกจิตให้เข้าสู่ทางสายกลางเพื่อจิตจะได้ไปเดินวิปัสสนาได้นะทางสายกลางนะไม่สุดโต่งสองข้างไม่เผลอไปไม่บังคับไม่เ พ, งเพ่งเอย ไ, ไม่เผลอกับไม่เพ่งนี่แหละนะ เอาแค่รู้อย่างที่มันกำลังเป็นอยู่จิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไม่ห้ามทันทีที่รู้ว่าเคลื่อนความตั้งมั่นจะเกิดอัตโนมัตินะี่ฝึกให้ชำนาญ น, นะจนกระทังที่แรกมันจะได้แว บ, บเดียวทีนะ่จริงแล้วจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเกิดได้หลายวิธีเกิดได้หลายวิธีนะดด ว, ธวิธีหนึ่งทําฌานนะทําฌานไปพอถึงฌานที่สองเนี่ยจะได้จิตตั้งมั่นขึ้นะ นี่พวกเราส่วนใหญ่ทำฌานไม่ได้พลวงพ่อไม่ได้สอนอันนี้นะส่วนใหญ่บางคนนะถึงจะสอนให้อันเนี้ยถ้าถ้าได้ตัวรู้ได้จิตรู้โดยผ่านการทำฌานผ่านตั้งแต่ฌานที่สองขึ้นไปเนะี่ยตัวรู้นี้จะทรงพลังมากนะจะอยู่ได้นานอยู่ได้หลายวันเลยบางทีอยู่ได้เจ็ดวันแล้วก็เสื่อมไปหน่อยไ่ทำฌานใหม่ก็อยู่ได้อีกหลายวันกำลังของมันแรงแต่พวกเราทายาก เราเข้าฌานไม่เป็นไอ้ที่เขาว่าเขาเข้าฌานเข้าฌานะเกือบร้อยละร้อยนะมันคืออารมณูปนิชานทั้งนั้นเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อให้เกิดตัวรู้เลยนะมีแต่เกิดตัวหลงกระทั่งพระดังๆบางองค์ท่านนั่งคุยกับโยมนะท่านเบื่อนละโยมพูดไรสาระท่านเข้าสมาธิปุ๊บจิตจะพุ่งปรุดเลยจิตวิ่งเว้นจิตไม่ได้อยู่ที่ฐานนะจิตเคลื่อน อย่างนี้นะ ย, ยังเกิดอีกยังเกิดได้อีกนะงั้นเราวิธีฝึกนะให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้บ่อยๆอย่าไปห้ามมันทุกวันทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนจะเคลื่อนไปสองอย่างเองเคลื่อนไปคิดนึกปรุแต่งนะส่วนหนึ่งกับเคลื่อนไปเพ่งอีกอันหนึ่งนะจิตที่เพ่งก็คือจิตที่เคลื่อนเหมือนกัน เรงเราเพ่งลมหายใจจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจไปเพ่งท้องจิตเคลื่อนที่ท้องถ้าเรารู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาลักษณะของจิตตัวรู้ที่ถูกต้องนะจะมีความเบาเรียกว่าระหุตามีความอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตาถ้าหนักหนั ก, นกแข็งแข็งน่นก็ไม่ใช่ละตัวรู้ปลอมตัวรู้ที่จงใจทําขึ้นมาเป็นตัวรู้ปลอมตัวรู้จะมีสองตัวนะ ตัวรู้จริงกับตัวรู้ปลอมตัวรู้จริงเนี่ยเบาสบายเบิกบานคล่องแคล่วว่องไวนะควรแก่การงานทัวตัวรู้ปลอมเนี่ยมันเริ่มด้วยโลภะอยากปฏิบัติแล้วมันจําตัวรู้ได้มันจงใจสร้างตัวรู้ปลอมให้บใจจะแข็งแกรงทื่อเนื่อรู้ตัวนะเนื้รู้ตัวอย่างเงี้ยแล้วแข็งทื่อจะเป็นตัวรู้ปลอมนะมันจะทื่ออยู่นั้นตัวรู้ยังมีสองตัวอีกนะเรียนให้ดี เนี่ยบทเรียนเรื่องจิตสิกขานะจะทําให้เราได้ตัวรู้ที่ถูกตัวรู้ที่ถูกต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานไม่ได้เผลอไปไม่ได้เพ่งไว้ไม่ได้เจตนาทําตัวรู้ให้เกิดถ้าเจตนาทําตัวรู้ให้เกิดเป็นตัวรู้ปลอมนะงั้นไม่เผลอไม่เพง่งไม่เจตนาสร้างตัวรู้ด้วยดังนะนั้นะถึงจะเป็นตัวรู้ที่ถูกเมื่อมีตัวรู้ที่ถูกแล้วก็เข้ามาสู่บทเรียนบทสุดท้ายที่เราจะเรียนกัน ถ้าผ่านบทนี้ได้ก็จะได้โสดาสกทาขาอนาคขาผ้ารหันเนะป็นลําดับไปการเจริญปัญญานั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่การแยกรูปนามนะรูปธรรมนามธรรมจะแยกออกจากกันนะถ้าจิตของเราเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถแยกรูปธรรมนามธรรมได้แต่ถ้าจิตของเราไปเดินอยู่ในอารรมนูปนิชานจะไม่แยกรูปนามเช่นเราดูท้องผองยุบเนะีจิตเราไปจับนิ่งอยู่ที่ท้องเลย ทุกอย่างรวมอยู่ที่ท้องหมดเลยนะไม่มีแยกรูปนามนะ่ถ้าจิตเป็นลักขณูปนิชฌานเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเห็นนะร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายยิ้มใจเป็นคนดูนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูร่างกายพัดใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเนี่ยเห็นกายกับใจแยกกันรูปนามมันแยกกัน นำมาทำอย่างแยกต่อไปได้อีกหนะลวงพ่อไม่ได้สอนแยกรูปธรรมนะการแยกรูปธรรมเนี่ยเหมาะกับคนทรงชานทรงชานถ้าทรงชานพอเนี่ยนะแล้วออกมาดูรูปเนี่ยจะแตกรูปก้อนนี้ออกไปได้อีกเป็นธาตุดินน้ําไฟลมแล้วตั้งอยู่ในสเปซในอากาศสาตัตวนะ์แวถ้าเราไม่ได้ทรงชานเนี่ยเอาแค่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราแค่นี้พอลนะนะเป็นแค่วัตถุก้อนธาตุที่จิตไปรู้เข้าแยกรูปนามแค่นี้พอละ ไม่ต้องไปแยกตัวรูปต่อไปอีกแต่ตัวนามเนี่ยพวกเราถนัดแยกต่อไปได้เพราะพวกเราในคนยุคนี้นะเป็นคนช่างชิตจะชำนาญในการดูจิตพวกช่างชิดเนี่ยหมาะกับการดูจิตนะเนี่ยในอภิธรรมสอนเลยคนพวกรักสุขรักสบายรักสงบเ น, นะเหมาะกับการดูกายแต่ต้องไปทำฌานก่อนเพราะเราทำฌานไม่ได้เราฟุ้งซ่านเก่งเราดูจิตไปนะมันไม่ยากอะไรหรอกนะ แยกดูสังเกตไหมความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ความสุขไม่ใช่จิตความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตเห็นไหมเนี่ยเราค่อยๆหัดดูไปนะความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลก็ไม่ใช่จิตเช่นเกิดศรัทธาอยากจะทําบุญอยากจะใส่บาตรมีความศรัทธามากเลยตื่นขึ้นมาศรัทธาอยากใส่บาตรแวบเดียวความขี้เกียจชนะลนะ เห็นไห ม, มันเกิดแล้วมันดับได้ศรัทธานั้นเป็นของแปลกปลอมเกิดแล้วก็หายไปได้ไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนไปเห็นเหมือนเขา่ากิเลส ท, ทั้งหลายนะก็ไม่ใช่จิตความโลภความโกรธความหล ง, งก็ไม่ใช่จิตนะเป็นสภาวะที่แปลกปลอมเข้ามาเนี่ยพวกเราค่อยๆดูค่อยๆ ด, ดูไปอย่างอย่างเรามีความพอใจสมมเสียงะระฆังเพราะใจเราพอใจนะ เราจะเห็นเลยว่าใจทีแรกเฉยๆพอได้ยินเสียงพอแล้วความพอใจเกิดขึ้นแสดงว่าความพอใจเนี่ยเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาค่อยๆหัดดูนะจะเห็นนมามธรรมทั้งหลายเนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนะไม่ใช่จิตหรอกมันแยกออกจากจิตจิตเป็นคนดูเนี่ยค่อยๆหัดแยกไปนะแยกเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่ารูปธรรมแต่ละรูปนมามธรรมแต่ละนาม ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นการเรียนไตรลักษณ์ไม่เรียนทีเดียวทั้งก้อนเรียนทั้งก้อนเนี่ยเราสาคัญมั่นหมายว่าเป็นเราทันทีเพราะว่าการที่ขันห้ามารวมรูปนามมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเรียกว่ามีคณะคณะสัญญาอคอรักังนอ น, นูนะคณะคือเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีการหมายรู้อย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่านี่คือตัวเรานะแต่พอเราแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันได้แล้วเนี่ย เราจะเห็นเลยว่า like แต่ละตัวไม่ใช่ตัวเรานละเพราะอะไรเพราะคณะแตกความโกรธไม่ใช่เราใครเห็นความโกรธเป็นเราก็บ้องเราละร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยใจเป็นคนรู้เพราะใจเป็นคนรู้ปุ๊บใครเห็นร่างกายเป็นตัวเราก็บ้องแล้วล่ะมันเห็นทันทีว่ามันไม่ใช่เราเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เห็นแต่ของไม่ใช่เราะนี่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะงั้นใจต้อง ตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้ตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันแยกรูปนามมิรูปประธรรมนามาธรรมรูปนั้นแยกออกเป็นธาตุสี่ที่เรียกว่าแยกธาตุนามธรรมแยกเป็นขันสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสีขันรูปแยกเป็นสี่ธาตุดินน้ําไฟลมที่หลวงพ่อพูดแยกธาตุแยกขันน่ะมันโลงละเอียดไปถึงนั้นแต่พวกเราจะไม่ชํานาญแยกธาตุเพราะเราไม่ได้ทรงชัน แยกขันให้ได้ก็พอละก็รูปก็ถือเป็นหนึ่งขันแยกเป็นหนึ่งขันไม่ต้องไปแยกต่อแล้วดูนามธรรมถัดจากนั้นมันจะเห็นมันจะเกิดปัญญาเห็นรูปธรรมเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปธรรมนั้นจะเห็นได้ง่ายว่าเป็นตัวทุกข์เห็นได้ง่ายว่าเป็นอนัตตานามธรรมนั้นเห็นได้ง่ายว่าไม่เที่ยงเห็นได้ง่ายว่าเป็นอนัตตา มันจะนมุมมองมันจะต่างกันนิดหน่อยนะเพราะฉั้นไม่มีสายกายไม่มีสายจิตนะเพราะดูกายก็เพื่อเห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เพื่อเห็นไตรลักษณ์สิ่งที่เราดูคือไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูกายไม่ใช่ดูจิตดูกายดูจิตเป็นเรื่องของสมถะนีดูอารมณ์มันเดียวคือสมถกรรมฐานนะเพราะน้นถ้าพอนากับหลวงพ่อนะเราไม่พูดหรอกว่าสายไหนสายไหนนะเฉยเฉยแหลกเลยไม่เข้าใจวิปัสสนาละ พิภักดา์งจริงเราไม่ได้จงใจเลือกนะสติมันเป็นตัวเลือกเองสติบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตนะั่นแ้่แต่ความชํานาญของมันนะนั้นเราต้องมาฝึกนะให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้แล้วก็แยกขันไปแล้วก็จะเห็นขันแสดงใจรักถ้าเห็นมากพอนะถึงจุดหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นเกิดเองนะเราไม่ได้สั่งไม่มีใครทํามากผลนิพพานให้เกิดได้หรอกมากผลนะไม่มีใครทําให้เกิดได้นิพพานไม่มีเกิดเลย มรคนเกิดแล้วดับไหมมรคลเกิดระดับไหมมรคลเป็นโลกุตตะเกิดระดับไหมเกิดแล้วดับนะอริยมร์เกิดแล้วก็ดับโสดาปฏิมร์เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นโสดาปฏิผลโสดาที่ผลเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นโสดาบัญบุคคลนะต่อไปก็เกิดสักขาคามีมร์สัคขาคามีผลเป็นสัคขาคามีบุคคลเึ้นมามรคนเนี่ย เป็นโลกุตระจริงนะแต่เป็นโลกุตระที่เกิดดับยังมีเหตุมีผลอยู่อะไรเป็นเหตุมากเป็นเหตุผลเป็นผลโ ส, สดาปฏิมักเป็นเหตุโ ส, สดาปฏิผลเป็นผลอาราหัตตมักเป็นเหตุอาราหัตตผลเป็นผลนิพพานไม่มีเกิดเพราะนิพพานไม่มีเหตุให้เกิดเลยนิพพานไม่เกิดนิพพานจะไม่ดับอริยามักมันเกิดได้มันก็ดับได้อริยผลเกิดได้ก็ดับได้นะงั้นไม่ใช่โลกุตระเนี่ย เที่ยงตลอดไปนะโลกุตตะละก็เกิดดับได้เคยได้ยินไหมมรซีผลซีนิพานหนึ่งเรียกว่านวโลกุตตะละโลกุตะกตะ9ะเก้ามรซีผลซีนิพานหนึ่งเนี่ยเป็นโลกุตตะละที่เกิดดับสักแปดนะที่ไม่เกิดไม่ดับมีสิ่งเดียวคือพระนิพานเท่านั้นเองพระนิพานเนี่ยโสดาจะเริ่มเห็นพระโสดาบันจะเห็นครั้งแรกปุถุชนไม่เคยเห็นพระนิพานเลย นะงั้นที่นั่งสมาธิกัเราไปเห็นพระพุทธเจ้าในพระนิพพานนั่นคือนิมิต ท, ทั้งหมดนะเป็นพระที่นิมิตเกิดขึ้นทางนั้นเลยพนะุทธชฌจะไม่เห็นพระนิพพานนะจเห็นนิพพานครั้งแรกตอนได้โสดาแต่เห็นนั้นสั้นนิดเดียวเห็นในขณะที่เกิดอริยมรรคหนึ่งขณะจิตเกิดอริยผลนะสองสามขณะจิตเท่านั้นเองเห็นนิดเดียวนะไม่เกิน 3-4 ขณะเท่านั้นเอง สั้นนิดเดียวนี่แค่นี้ยังเกิดเลยนะชั่วตีดนิ้วเนี่ยก็เกินสามสี่ขณะล้วนะฉะนั้นโสดาเนี่ยยังไม่แม่นสักขทาคาก็ยังไม่แม่นพระอนาคาก็ยังไม่แม่นในพานิพานธะ์ยังมีกิจที่ต้องเรียนอีกเนพะนั้นเวลาที่โสดาสักขทาขาพระอนาคานะจะกลับเข้ามาพักผ่อนด้วยพานิพันธ์จะมาทําพระสมบัติจะต้องมาแยกรูปนามใหม่นะมาทําวิปัสสนาก่อน ทำวิภาสนาเนี่ยจิตมันเคยวางรูปนามได้ทำวิภัสนาไปช่วงมันจะวางรูปนามมันจะไปสัมผัสปณิพันธจะต่างกับพระอราหันต์พระอราหันต์นั้นน่ะชำนาญในปณิพานธ์ละปิพันเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาแค่มานาสิกาลแค่นึกถึงนะก็สัมผัสปณิพันธ์นะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าพระสธรรมบัติจะไม่เหมือนกันถ้าโสดตสกทาคานาคาเนี่ยจะไปผ่านวิปัสนามานะถ้าพระอราหันต์ไม่ต้องผ่านวิปัสนาไม่ต้องไปดูรูปนามนะ ถ้าเข้าสัมผัสพระนิพพานเลยพระนิพพานอยู่ต่อหน้าเรานี่เองหาแทบตายที่แท้อยู่ตรงนี้เองไม่ได้ไปอยู่ไกลๆ ไ, ไม่ได้อยู่วัดสวนสันติธรรมนะไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อประโมทดะ อ, อยู่ต่อหน้าเรานี่เองอยู่ในใจเรานี่เองแต่เราไม่เห็นหรอกเพราะว่ากิเลสมันบงังนี่ภาวนานะระ ว, วันหนึ่งจะได้มรรคผลอย่างน้อยชาตินี้เอาโสดาให้ได้เพื่อว่าเราจะได้ปิดอบายไม่มีโอกาส ไปตกนรกอีกไม่ไปเป็นสันเดลชานเป็นเปรดเป็นอสุรกายขั้นต่ําเป็นมนุษย์มนุษย์นี่ถือว่าขั้นต่ำแล้วตั้งใจไปนะภาวนาไหนๆก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วคนในโลกตั้งเยอะตั้งแยะที่สนใจจะเรียนธรรมะมีนิดเดียวคนที่สนใจจะเรียนธรรมะแล้วมีโอกาสฟังธรรมะจริงๆนิดเดียวใหญ่เลย คนอย่างพวกเราในห้องเนี้ยได้ยินธรรมะแล้วไอ้คนที่ได้ยินธรรมะแล้วไอ้ที่ลงมือทําจริงๆมีไม่มากส่วนมากฝรั่ไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ตอนแก่แล้วจะมาทําตอนนี้เรียนไว้ก่อนใครคิดอย่างงี้บ้างอายุห้าสิบแล้วจะมาปฏิบัติมีไหมห้าสิบนี่เป็นลักกี้นัมเบอร์นะสัมภาษณ์มาเนี้ยส่วนมากเดี๋ยวห้าสิบแล้วจะปฏิบัติถึงห้าสิบก็ไม่ปฏิบัติหร อ, อกปฏิบัติยากแนะ้วเพราะใจฟุ้งซ่านมาตั้งห้าสิบปีแล้วะ กันเริ่มตัวันนี้นะความเพียรต้องเริ่มซะตั้งแต่วันนี้ช้ากวันนี้สายเกินไปพรุ่งนี้ก็สายเกินไปนี่มีเพลงหนึ่งนะใครเคยได้ยินไหมพรุ่งนี้ก็สายเกินไปถูกต้องมากเพลงนี้เหมาะที่จะเป็นพระอรหันต์มากเลยส่วนเพลงอีกเพลงหนึ่งนะสอนวิปัสสนาเพลงอะไรรู้ไหมมันไม่แน่ดอกนายพรุ่งนี้ก็สายเกินไปเนี่ยสอนก็นไม่ประมาท การความไม่ประมาทพระเจ้าย้ำตัวสุดท้ายนั้งก่อนปริธานไม่ประมาณเพนะนนพวกนี้ก็สายเกินไปแล้วนะสำหรับชาวพุทธเราพาวนาตั้งแต่วันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไรนะเราไม่สามารถถัดถ่อนกับมัจจุราชไดนะ้นี่พระเจ้าสอนนะงั้นเริ่มเสตตั้งแต่วันนี้ไปตั้งแต่ขณะนี้แหละ หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวจะอือจะฉี่ก็รู้สึกตัวเห็นแต่ธาตุขันมันทํางานไปจะสุกจะทุกข์อะไรก็รู้สึกไปจะกินข้าวก็รู้สึกจะอาบน้ําจะแต่งตัวรู้สึกจะขับรถก็รู้สึกจะเดินบนถนนก็รู้สึกนะยกเว้นทํางานที่คิดจะตอนนอนหลับรู้สึกไม่ได้ตอนทํางานที่คิดให้ตั้งใจทํางานไปไม่ต้องทําสมถาวิปัสนาแต่ตอนนอนเนี่ยถ้าเราเคยฝึกจนชํานาญนะ ตอนนอนแล้วร่างกายหลับนะจิมจะไปทำเองจะพัฒนาของมันเองนะเอาเชิญไปกินข้าวไป